ยกปะตักขึ้นมาปะตักนี่ก็คือไม้แหลมๆนะที่เขาไว้ทิ่มมา้าทิ่มวัวทิ่มควายถ้าเป็นช้างก็ใช้ตะขอสมัยนี้เราไม่เห็นละปะตักแต่สมัยก่อนนี่ใช้ปะตักกันเราต่อปะตักนี่คือปะตักนี่แหละม้าเนี่ยมันเพียงแค่เห็นเงาปะตักบนพื้นเนี่ยมันก็รู้แล้วว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา มาไปเภทที่สองเนี่ยมันต้องโดนประตักทิ่มถึงขุมขนนะก็ถึงจะรู้ว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาประเภทที่สามเนี่ยต้องโดนประตักทิ่มนะไปถึงหนังถึงเนื้อมันถึงจะรู้ว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเอี่ยเพศหนึ่งต้องโดนประตักทิ่มไปถึงเนี่ยเกือบไปถึงกระดูกเลยนะทิ่มเข้าไปในเนื้อนลึกๆมันถึงจะรู้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 ประเภทที่สองเนี่ยนะต้องเห็นคนตายาแค่ได้ยินไม่พอต้องเห็นคนตายเห็นคนตายก็ตกใจโอ้เกิดความตื่นตัวขึ้นมาปฏิบัติธรรมละชั่วทำความดีจเจริญภาวนาประเภทที่สามเนี่ยนะต้องให้คนที่รู้จัก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 นะคือว่าพอคนรักคนใกล้ตัวตายเนี่ยก็ถึงค่อยตื่นตัวจะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นส่วนใหญ่หรือเปล่านะเพราะว่ า, าส่วนใหญ่จะเป็นประเภทที่4ก็ได้นะคือว่าต้องเจอความตายมาประชิด ต, ตัวถึงค่อยมาสนใจเช่นพอรู้ว่าเป็นมะเร็งนะพอพรู้ว่าเป็นโรคหัวใจเบาหวานไตาวา ย, ยอันนี้ค่อย ขยันขยับมาปฏิบัติธรรมมาเข้าวัดถ้าปล่อยถ้าเทวทูตมาปรากฏแล้วเราไม่ไม่เปิดใจรับสัญญาณไม่รับข่าวสารจากเทวทูตก็อาจจะได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดนะเมื่อ 2-3 สาวันที่ผ่านมาก็ได้ไปอบรมนะเรื่องเผชิญความตายอย่างสงบ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 าบางคนเนี่ยไอ้ตอนที่ปกติธรรมดาก็ไม่มีอะไรนะแต่พอใกล้าตายเนี่ยมันจะเกิดความสนึกผิดขึ้นมาหรือว่าเกิดความระลึกถึงการกระทําผิดพลาดในอดีตซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าพอนึกถึงแล้วเนี่ยก็ทำให้จิตใจเศร้าหมองอย่างนาริกาทีวีเป็นมาเหสีพระเจ้าประสิทธิโกศส ก็เป็นอุบาสิกาที่ดีนะายธรรมะชวนให้พระเจ้าประสิิ์นิกรสนี่ได้รู้จักธรรมะรู้จักการทำบุญที่ถูกต้องแต่ว่าอายุสั้นนะตอนจะตายเนี่ยแทนที่จะนึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำนึกถึงระรันตรนัไตร์กลับเป็นนึกถึงเหตุการณ์เล็กๆก็คือไปโกหกพระเจ้าประสินิกศนเรื่องที่ตัวเองไปทาอะไรไม่ดีกับสุนัข พระเจ้าปรเที่โกส่ก็เห็นแบบแว๊บๆนางมาริกาก็พูดให้พระเจ้าปรเ์ที่โกศ่เข้าใจว่าเนี่ยนะมองพร่ามองเรือนไปเองพระเจ้าปรสเซที่โกศวก็เชื่อเพราะรักนางมาริกาเทวีมากแต่พอจะตายเนี่ยนะนางมาริกาเทวีก็นึกถึงเหตุการณ์นี้แหละว่าไปทำมุสาวาด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 ก็ไปสนทนาด้วยสนทนาด้วยก็ทำให้ร่ว น, นี่ยคุณปู่คนนี้นี่แกมีปมปัญหาในใจคงมีความรู้สึกผิดบางอย่างทำให้ไม่ยอมตายสักทีท่านกัจจิก็เลยพูดว่าเนี่ยปู่มีอะไรไม่สบายใจก็บอกนะขอให้ไว้ใจอาตมานะถ้าอาตมาช่วยได้ก็จะช่วย ปู่ก็เล่วเาว่าเนี่ยเมื่อห0สิปีที่แล้วเนี่ยเคยไปรักผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็แต่งงานกันแต่พอเธอท้องได้สมเดือนก็ทิ้งเข้าไปแล้วก็ไม่เคยกลับไปอีกเลยตอนนี้อยากจะรู้ว่าสองคนนั้นเป็นอย่างไรก็คือเมียเก่าแล้วก็ลูกชายไม่รู้ว่าลูกชายหรือเปล่านัตายไม่ได้จนกว่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เรื่องนี้แกก็ไม่เคยเล่าเลยลูกชายที่ดูแลแกจากเ่งเป็นลูกคนที่2อเมียคนที่2ที่3าก็เพิ่งได้รู้จากปากแกเป็นครั้งแรกก็เลยต้องไปตามหาว่าเนี่ยเออเมียเก่ากับลูกเป็นอย่างไรปรากฏว่าตายแล้วทั้งคู่เลยเมีย ก, ก็แก่ตายลูกก็เป็นติดเชื้อ HIV เป็นเอดตายไม่มีใครกล้ามาบอกพ่อว่าเกิดอะไรขึ้นกับ2คนนั้น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 โผล่มาแล้วก็ทิมแทงจิตใจตายไม่ได้จะ ก, ก็ดีนะที่ได้ใจาคนที่ช่วยไวนะ้นั่นก็บอกว่าเนี่ยจะไปเสียใจทําไมเขาก็ตายไปแล้วทําไมไม่ทำบุญอุทิศให้เขาละ่ะพอพูดถึงเรื่องบุญอุทิศให้เขาก็หันกลับมาเลยบอกว่าทําได้เลยนะทําได้สิก็เลยทำกันเป็นการใหญ่ก็ทําบุญเสร็จแกก็ไปตอนนี้ไปสงบลนะอันนี้เป็นเรื่องความรู้สึกผิดนะซึ่ง ถ้ามนติดค้างใจแล้วเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันจะหายง่ายๆบางทีมันก็มามาโผลอตอนจะตายแลถึงตอนนั้นนี่ถ้าจัดการไม่เป็นเอาไม่อยู่มันก็พาไปอบายได้หรืออย่างน้อยก็ทำให้ทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำให้ไม่ตายดีแล้วก็ได้เล่าว่าเนี่ยได้พูดถึงว่าเนี่ยได้มีการพูดคุยเรื่องความรู้สึกปิดติดค้างใจก็มีผู้หญิงคนหนึ่งกเล่าฟังนะ น่าสนใจแต่พูดไปกก็ก็ร้องไห้นะก็คือว่าหลังจากที่ก็ไปทามาไปมีอาชีพนะแยกบ้านนะไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ต่อมาก็วันหนึ่งก็มาเยี่ยมมาเยี่ยมแม่ก็นอนกับแม่ก็คงนอนอยู่กับแม่หลายวันนะคืนหนึ่ง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 มาถึงที่แล้วเนี่ยน่าจะตรงเข้าไปหายายเลยไปเยี่ยมยายเลยนะไม่ควรจะฉลาดใจนะนี่แกฉลาดใจนะคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเยี่ยมยายก็ได้วันนี้เรากินข้าวบ้านญาตก่อนนะแล้วก็เฮฮาสนุกสนานไม่ฉเฉลียวใจเลยนะว่าเหตุการณ์วันนั้นมันจะทําให้เกิดแผลในใจนะว่าทําให้ไม่ได้ดูไม่ได้ดูใจยายเป็นครั้งสุดท้าย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 ก็เดินตรงเข้าไปที่ห้อง ICU ปราว่าไปเจอเพื่อนกลางทางเพื่อนก็บอกว่าไม่ต้องไปแล้วป้าตายแล้วเมื่อเช้าวันอาทิตย์นี้เองเช้าวันนั้นนั่นเองผมก็เสียใจมากผ่านมาสิปีแล้วก็ก็ยังไม่รู้สึกคลี่คลายนะความรู้สึกผิดอันนี้3มเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันนะคือเป็นเรื่องการที่ผัดผ่อนรีรอ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 ไม่ผัดผ่อนไม่ลีลอนะในการที่จะทำความดีกับเขาที่พู้เจ้าพูดถึงเรื่องม้าสีประเภทเนี่ยแล้วนะก็เพื่อกระตุ้นให้ตอนหนักว่าไอการปฏิบัติทำนะมันต้องรีบทำทันทีอย่าลีลออนะเพราะว่าความตายจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้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 แล้วก็ถ้าเกิดว่าประมาทไปครั้งหนึ่งแล้วต่อไปมันก็ประมาทีกวันนี้ไม่เป็นไรวันพรุ่งนี้ก็เอาใหม่แล้วถึงจุดหนึ่งมันก็จะเจอแจ็คพอตนะเจอแจ็คพอตคือว่าให้ความประมาทของเราเนี่ยมันก่อความเสียหายนะให้กับคนที่เราลักหรือว่าให้กับให้กับจิตใจของเรานะทําให้รู้สึกนะผิดติดค้างใจอาจจะเรียกว่าชั่วชีวิตเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง เทวทูตเนี่ยที่มาเตือนเราเนี่ยสำคัญมากเลยนะที่จริงทเทวทูตเนี่ยมันมีให้เราเห็นอีกตลอดเวลาบนท้องถนนในวัดนี้หรือว่าจากข่าวสารต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังทางหนังสือพิมพ์ทางโทรทัศน์หรือเรื่องเล่าเนะเรื่องที่พูดมาเนี่ยมสี่เรื่องเนี่ยมันก็เป็นทเทวทูตเตือนใจเราได้เหมือนกันนะ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งใจฟังหรือว่าเราฟังแล้วก็ผ่านเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแล้วก็นำมาเสียดายเพราะว่าบทเรียนของคนอื่นๆเนี่ยมันสามารถจะเตือนใจหรือเป็นอุทาหรณ์ให้กับเราได้เป็นอย่างดีคนหนึ่งเขาผิดพลาดไปแล้วแล้วเมื่อเราได้ยินได้รับทราบเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะผิดพลาดอย่างเขาก็ควรถึงเอาเข้อเป็นครู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 ต้องนึกไว้เสมอนะอย่าไปคิดว่าเป็นการแช่งอย่าไปคิดว่าเป็นอัอปมงคลนะมันเป็นการเตือนให้เราไม่ประมาทพอถ้าเราเระลึกแบบนี้แล้วแล้วเราขนไคยในการที่จะทําความดีให้กับเขานะไม่รีรอไม่ผัดผ่อนนะมันก็จะไม่มีอะไรติดค้างใจแล้วเราก็จะสึกภาพปลุมใจว่านะชีวิตที่ผ่านมาเราได้ทําความดีกับคนที่เรารักเนะพราะฉะนั้นในเรื่องเทวทูตนี่ก็คอยเราสดับนะ